ส่วนพระธรรคตในยะที่4นี่นะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือกล่าวถึงบุพนิมิตทั้งหลายตั้งแต่พระองค์ทรงประสูติขึ้นมาโดยคร่าวๆนะครับแต่ที่จริงแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนอื่นๆ อ, อีกในคัมภีร์พุทธวงศ์นะครับสามารถติดตามดูได้นะครับเพราะนนั้ในประมาททีปณีก็หยิบมาบางส่วนนะครับถามว่าพระธรรคตเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตถาคตโตติตถาคตโตนะครับ คือการประสูตรการตรัสรู้การประกาศธรรมวินยัยและอนุปาฏฐิเสสนิพานธาตุนั้นใดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นการท่องแท้นะเป็นเรื่องจริงแท้เลยนับตั้งแต่ประสูต ร, รตรัสรู้การประกาศการแสดงธรรมแม้กระทั่งตอนดับขันปริณิพานนะครับท่านอธิบายไว้ยอย่างไรอธิบายไว้ว่ า, ว า, วาการประสูตรเป็นต้นอันพระโลกนาตทรงปรารถนาแล้วและประพฤติแล้ว ซึ่งประโยชน์ใด น, น, นะครับเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะให้สำเร็จประโยชน์นั้นโดยส่วนเดียวโดยประพฤติประโยชน์นั้นไม่วิปรลาศคลาดเคลื่อนเพราะพูดไม่ผิดอันเป็นไปเพื่อให้ประโยชน์นั้นสำเร็จโดยส่วนเดียวคือหมายถึงอะไรครับปสูตรตรัสรู้ประกาศธรรมวินยัยแม่แต่อนุปาทิเสสานิพานธาตุเนี่ย น, นะเพื่อประโยชน์สุกกัตจริงจริง แล้วประโยชน์สุขเหล่านั้นก็ได้เกิดขึ้นแก่สัตว์แล้วจริงๆด้วยนะครับสิ่งที่พระองค์ปาณถนาที่ประพฤติทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ใช่ไหมครับแล้วสัตว์ได้รับประโยชน์นั้นไหมก็ได้แล้วมันพระองค์ทํากิจอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ประโยชน์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคนี้ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งปวงมีการบําเพ็ญบารมี30ทัศนะครับถ้าหาว่าใครที่เคยสวดบทหนึ่งนะ อัันนน้ในบทขัดรัตนาสูตรใช่ไหมครับว่าปณิธานตโตปทายะทัศปรมิโยทัะอุปปารมิโยทัศปรมัตถปรมีโยปัญจมหาปริจาเจติโสจริยาขภาวกันติงชาติงอภิอภินกกมณังปทานาจริยังโพธิปลังเกเนนะครับมารวิชยังเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงประกาศธรรมจักนะเขาบอกว่าผู้ที่จะสวด ร, รัตนาสูตรเนี่ยนะให้ตามระ ล, ลึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นก่อน แล้วค่อยสวดรัตนาสูตรนะครับมายังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเทสวายังรัตนางปนีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิทำปิพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหนตุเป็นต้นเนี่ยนะครับ <c oughs> บทขัดไม่สวดถ้าถ้าสวดนี่จะดีนะจะเห็นคุณของพระ อ, องค์เยอะครับแม้แต่มงคลจักรวาลใหญ่นะเช่นมงคลจักรวาลใหญ่เนี่ยก็ดีนะครับ นะเซรีติติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการสัสสะทวติงสัมหะปุริสละคณนุภาเวนะอสิตยานุพยัญนชนะนุภาเวนะเป็นบทชนะเสร์นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะ ส, ส, ส่วนใหญ่นะครับจร่ยิงหน้าท่องเอาไว้นะครับท่องแล้วก็สาธยายก็จะเห็นที่ยิงด้าหาส่วนได้หมดแล้วนะครับที่ว่าอ๋อถ้าถ้าทวนก็ดีนะทวนก็ใช้เวลาไม่นานถ้าทวนบทเหล่านี้บ่อยๆเจริญพุทธคุณได้มากครับ นะครับก็เท่ากับตามและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้เยอะนะผู้ที่สวดได้นะครับดีนะจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคนะครับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วบางส่วนเนี่ยนะครับทรงลำารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลได้สดับพุทธโกลาหลประชุมกันเข้าไปเฝ้าทูนาราธนานะครับทูนาราธนาสารดุสิตเทพปุตรว่า กาโลยันเตมหาวีระอุ ป, ปัชฌมาตุกุชยังสเทวะกาการยันโตพุท ช, ชสุกอมตังปะทังข้าแต่พระมหาวีระนี้เป็นกาละอันสมควรขอโปรโดอุบัติในคันของพระมารดาอย่างโลกนี้พร้อมเทวโลกให้ข้ามให้ตรัสรู้อมตะบดนะครับคล้ายๆว่าวได้เวลาตรัสรู้แล้วว่างั้นแตให้ใหทำพุทธกิจอันนี้ด้วยเถอะว่างั้นนะไปอาราธนา ขณะนั้นก็เกิดบุพนิมิตขึ้นแล้วนะครับพรผ์ก็ตรวจดูมหาวิโลกนะ5ประการตรวจดูอะไรบ้างครับ1ตรวจดูตระกูลตระกูลว่าสมควรตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์นะครับตรวจดูทวีปนะครับว่าทวีปตรวจดูประเทศตรวจดูอายุของมารดานะครับเป็นต้นนะครับแล้วพผมก็ทรงดำรีว่าบัตดนี้เราจักอุบัติในกําเนิดมนุษย์ แล้วก็จักตรัสรู้นะครับพอไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะในวันอาสาละหุณณมีนะครับทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระมหามายาเทวีในสกยราตระกูลอันเทวดาและมนุษย์ต่างพากาันดูแลอย่างยิ่งใหญ่ตลอดสิบเดือนนะครับในเวลาปัจจุสมัยวิสาขะปุณณีคือวันเพ็ญเดือน6ก็ทรงประสูด ทนี้ในขณะที่พระ อ, องค์ทรงประสูตยก็ปรากฏบุรพนิมิต32ประการเหมือนในขณะทรงถือปฏิสนธินะครับทั้งจุติปฏิสนธิเนี่ยนะครับจริงมันก็ใกล้ชิดกันนะนะขณะจิตเดียวเองนะจุติจิตปฏิสนธิก็ขกล้ใกล้ๆกันนั่นแหละครับจึงอยู่หมื่นโลกาธาตุนี้หวั่นไหวสะเทือนสะทานแสงสว่างหาประมาณนี้ได้แผ่ไปในหมื่นจักรวาล น, นะครับลักษณะของบุพพนิมิตนะ คนตาบอดแต่กําเนิดก็กลับได้จากสุขเหมือนคนปรารถนาจะชมพระโฉมพระพพพระองค์ขณะนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโบสว่างตลอดไปอะไรนะใช่แค่ขณะนั้นก็เห็นได้วาปหนึ่งนะครับก็สว่างไปพักก็ยังดีนะครับคนหนวกก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงอีกพักหนึ่งนะครับครับคนใบ้ก็เจรจาได้นะก็พูดได้หน่อยหนึงพักเดียวคนค่อมก็เดินตรงได้นะครับะคนง่อยก็เดินได้ สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจําก็พ้นจากเครื่องจองจํามีคือคาโซ่โซ่ตรวนเป็นต้นนะก็พ้นพักเดียวนะแป๊บเดียวคือในขณะในขณะนั้นอะในวับนั้นอะนะไฟนรกทั้งหมดก็ดับสเสวยสุขหน่อยหนึ่งนะครับสัตว์นรกความหิวกระหายในเปรตวิสัยก็สงบลงพวกสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีภัยโรคของสัตปสัตว์ก็สงบไป สัพพสารก็พากันกล่าววาจาที่น่ารักมีมีใครดุดาเลยนะเวลานั้นนะ น, นะม้าก็ร้องด้วยเสียงอันไพเราะพวกช้างก็พากันกระเฮิมดนตรีทั้งปวงก็เปล่งเสียงบรรเลงลั่นตังวานขึ้นเองนะครับเครื่องประดับที่สวมที่ข้อมือเป็นต้นของพวกมนุษย์ไม่กระทบกันเลยก็มีเสียงด้วยอาการไพเราะปกติกําไรมันจะชนกันแล้วมันจะดังนะนี้ไม่ดะไม่กระทบแต่ไม่มีเสียงทิศทั้งหมดก็แจ่มใส ลมเย็นๆ น, น, นะลมเย็นก็พัดอ่อนๆอกระพือพัดให้ปวงสัตว์ได้รับความสุขฝนตกในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลน้ำพุ่งขึ้นจากแผ่นดินไหลไปน้ำพุ่ง น, นะฝูงตักสีก็งดการบินไปในอากาศแม่น้ำก็หยุดไหลน้ำในมหาสมุทรก็มีรสอร่อยพักเดียวนะหลังนั้นก็เค็มอีก ทีนี้พระอาทิตย์ก็รับไปแล้วก็ยังส่องแสงสว่างอยู่ความสว่างทั้งปวงก็โชดช่วงในอากาศเทวดาทั้งปวงที่เหลือเวน้นชั้นอรูป อ, อรูปปาวจรและสัตว์นรกทั้งปวงนอกนั้นก็ได้ปรากฏรูปให้เห็นคือเห็นรูปได้นะต้นไม้ฝาเรือนบานประตูและเขาศิลาเป็นต้นเป็นอาทิไม่มีการปิดกัน้นเหล่าสัตว์ไม่มีการจุติและอุบัติไม่มีการเกิดตายเลยในเวลานั้นนะครับ กลิ่นทิพย์ก็ฟุง้งขจรตลบอบอวนขจัด ก, กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหมดเสียได้ต้นไม้ที่มีผลทั้งหมดก็ติดผลสพรั่งมหาสมุทรได้มีพื้นดารดาดไปด้วยดอกปทุมเบญจวันนะครับคือห้าสีนะในที่ทุกสถานทีเดียวปุปชาทั้งหมดทั้งที่เกิดบนบกและในน้ําก็บานสะพรั่งปปรครับกระแ ป, ป๊บเดียวอีกนั่นแหละ <c oughs> คือใหม้มันโลกมันสดใสวัดหนึ่งอะนะช่วระยะสั้นๆอะนะ ยังดีนะครับไม่มีใครทําได้นะบรรดาต้นไม้ทั้งหลายนะครับขันทัพปฐุมคือบัวกอกบานสะพรั่งที่กอสาขาปฐุมคือบัวก้านกบานสะพรั่งที่ก้นะ า, า, กา น, านะรานะดาปฐุมบัวเถาก็บานสะพรั่งที่เถาขันทพปฐุมบัวลำต้นก็แทรกพื้นหินพื้นแผ่นดินก็โผล่ออกมามีใบตั้งร้อยคลุมอยู่เบื้องบนโอลำพระกะปฐุมครับบัวห้อยย้อยก็บังเกิดในอากาศนะครับ ฝนดอกไม้ก็ตกโดยทั่วไปในอากาศก็มีดนตรีทิพย์บรรเลงหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นก็มีระเบียบเป็นอันเดียวกันดุดช่อมาลาที่ร้อยห้อยไวนะครับดุดกรรมมาลาที่มัดวางไว้และดุดแท่นอาสนะดอกไม้ที่เขาประดับตกแต่งไว้ได้มีพัดวาลวิชนีพัดผันตลบด้วยกลิ่นดอกไม้และกลิ่นธูปนะครับถึงความเลิศ ด, ด้วยความงามอย่างยิ่ง ก็บุพพานิมิตเหล่านั้นได้เป็นนิมิตแห่งการบรรลุคุณวิเศษเป็นอนเนกที่พระโพธิสัตว์จะบรรลุในเบื้องสูงนะครับบุพพนิมิต ท, ทั้งหมดเนี่ยนะมีเหตุผลหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องไปดูคําอธิบายที่อื่นนะครับเช่นในพุทธวงศ์นะครับว่าแต่ละอย่างนี้เป็นบุพพานิมิตของอะไรบ้างนะครับควรศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะครับเพราะปรากฏความอัศจรรย์มากมายอย่างนี้แหละ การเกิดที่พระโพธิสัตว์นั้นปรารถนาประโยชน์อันใดไว้ก็เป็นอันความจริงแท้แน่นอนนะครับความปรารถนานั้นจริงแน่นอนเพราะนิมิตเหล่าเนี้ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเนี่ยไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นแล้วก็เพื่อความสําเร็จอภิสามโพธิญาณ น, นั้น่ะโดยส่วนเดียวเหมือนกับว่านิมิตหมายที่ว่าฝนจะต้องตกหนักอย่างแน่นอนนะครับเช่นมันมืดมันคลึ้มมันอะไรไปหมดนะครับ แล้วก็หยดมาหน่อยๆและแสดงว่าจะตกหนักมากนะครับเป็นตเนี่ยนะมันคล้ายๆปบุพนิมิตที่บ่งถึงความแน่นอนนั่นเองคือสิ่งเหล่านี้นะครับว่าหมายถึงว่าการประสูดของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนอย่างที่ทรงปรารถนามานะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุกแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งสัตว์เหล่าใดเป็นพุทธเวไนอันนี้ก็กล่าวถึงการประกาศธรรมวินัยนะว่า พวกที่เป็นพุทธเวไนเป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ผู้จะตรัสรู้ทั้งหมดนั้นนะนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนําด้วยพระองค์เองอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่สาวกแนะนําคือผู้ที่จะบรรลุเพราะพระพุทธเจ้าแนะนํานะพระองค์ทํากิจแนะนําหมดเลี่ยงเลยไม่มีเหลือเลยนะครับที่ ท, ที่ส่วนที่เป็นภาระที่พระองค์แนะนําเขานะนะไม่มีเหลือเลยแม้แต่คนเดียวที่เรียกว่าเป็นพุทธเวไนพวกที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยนะ ส่วนสัตว์ใดเป็นสาวกเวไนยและธรรมะเวไนยสัตว์แม้เหล่านั้นอันพระสาวกเป็นต้นแนะนําย่อมถึงและจักถึงซึ่งการนําไปให้วิเศษนะครับคือบางพวกก็ต้องสาวกนะพระสาวกจึงจักแนะนําได้นะครับก็สาวกแนะนําไปอย่างยกตัวอย่างพระนันทกะแสดงธรรมแล้วบรรลุหรือว่าพระเทระองค์อื่นๆแสดงธรรมแล้วบรรลุอย่างเช่นกลุ่มพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยนะครับฟังธรรมจากพระนันทกะนะครับ กลุ่มผ้าที่ติดตามพระเทวทัตไปก็พระสาริบุตรนะครับไปแสดง น, น ะ, ะสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสาว ก, กเวเนยต้องฟังธรรมจากพระสาวกจึงจะตรัสรู้ธรรมได้ส่วนบางพวกก็เป็นธรรมเวเนยนะครับศึกษาธรรมะและไปภาคเพียรเรียนรู้ปฏิบัติเองจึงจักบรรลุได้นะครับพระพุทธเจ้าก็แนะนําไม่ได้พระสาวกเป็นต้นก็แนะนําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมเทศนาคําสอนที่พระองค์ทรงสแสดงไว้นั่นแหละไปปฏิบัติตามนะครับ อาจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะตรัสรู้รมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นพุทธเวไนทั้งหมดถ้าเป็นลักษณะพุทธเเวไนเช่นภาษาริบุตรก็แนะนําไม่ได้บรรลุนะเช่นลูกของนายช่างทองนะครับนั่นแหละนั่นเป็นพุทธเวไนหรือพระจุลบันทกก็ไม่ใช่ใครจะแนะนําให้บรรลุได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอาจารย์แล้วเขาสะสมมากันยังไงเนี่ยถึงได้ที่เป็นฝ่ายสาวกเวไนหรือเป็นพุทธเวไนนะครับ ใจก็ <K> er อ, อาจจะสะสมบารมีมาร่วมกันนะครับสะสมบารมีมาร่วมกันนะน่ะคือบางคนอาจจะตั้งความปรารถนาผมนี่อยากให้ท่านพูดให้ผมบรรลุอะไรคล้ายๆแบบตั้งใจไหมออลักษณะเนี่ยนะ เ, ออเพราะนั้นอย่าลืมนะว่าความตั้งใจนี่นะคแค่จิตตุก บ, บาทหนึ่งอย่าประมาทนะครับว่าไม่มีผลนะคร<อ>ถ้าเกิดไปตั้งความคิดบางอย่างเอาไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับครับแต่บางพวกก็เป็นธรรมเวไนยจริงๆก็ต้องเรียนเองฟังเองศึกษาเองนะครับจริงจะได้บรรลุธรรมนะ แต่ว่าผู้รวมรวมอย่างไรเสียก็ถือว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่ดีจะใครแนะนําให้บรรลุก็ตามนะครับคือทําให้เห็นว่าอันนะ้ถ้าผมอันนี้ผมอุปมาเองนะยกตัวอย่างเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงพระเจ้าจักรพรรดิเลี้ยงคนทั้งโลกได้จริงแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไปเลี้ยงแม่บ้านใครนะแม่บ้านใครคนนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงเยงดูแลกันไปครอบครัวใครก็ครอบครัวไปก็ดูแลกันเองก็แล้วกันนะครับ คล้ายๆแบบนี้นะครับคือครอบครัวใครคร อ, อบครัวอมหมาตอมหมาดก็ดูแลไปบริวารอมหมาดอมหมาตก็ปกครองไปนะครับพวกพวกกลุ่มเศรษฐีก็ลูกบริวารของเศรษฐีเศรษฐีก็เลี้ยงดูไปอะไรไปพระเจ้าจากักรพรรดิก็แต่ว่าสรุปแล้วทั้งหมดนั้นก็อาศัยแผ่นดินพระเจ้าจากักรพรรดินั่นแหละอยู่นะนะ ท่านใดถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างนี้นะครับที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกับเศรษฐีคือหาบดีอำมาตทั้งหลายเป็นต้น น, น, นะนะผู้ที่เป็นบริวารก็อยู่กับบริวารทั้งหลายเหล่านั้นนะก็ไม่ต้องไปนั่งไปอยู่ในวังสมบัตนะครับไม่ใช่ต้องไปอยู่ในวังสมบัตเหมือนกับอย่างนั้นนะครับนี้ต่อไปนะครับว่าอะพิสัมโพธิยานคือการตรัสรู้นะครับที่พระผู้มีพระภาคทรง ต, งตั้งความปรารถนาไว้ เพื่อประโยชน์ใดเพราะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จโดยแท้จริงพระอภิสามโพธิยานจึงเป็นคุณทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นอันนี้หมายถึงการตรัสรู้ของพระ อ, องค์เนี่ยนะครับที่ตั้งความปารถนาไว้เนี่ยก็สมความปรารถนาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นสุเมศตาบทนี่นะครับที น, นี้ต่อไปนะว่าอีกอย่างหนึ่งอภิสามโพธิยานคือการตรัสรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาค ตรัสรู้ยิ่งซึ่งสภาวะแห่งยญาธรรมที่ควรตรัสรู้โดยสิ้นเชิงอย่างไม่วิปริตด้วยญาณของพระองค์เนื่องด้วยเหตุเพียงทรงรำพึงถึงนะครับเหมือนผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือก็เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นนะครับมะขามป้อมมาวางบนมือนะก็บอกว่าสภาวะธรรมทั้งหมดสังคตะอสังคตะทั้งหมดนะครับในการสามทั้งหมดนะครับมองเห็นชัดเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือ นี่คือความตรัสรู้ที่จริงแท้แน่นอนของพระผู้มีพระภาคนะครับนี่ต่อไปอันหนึงเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูวิธีที่จะพึงแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งธรรมะเหล่านั้นและอัธยาศัยอนุสัยจริยาและอธิมุตของสัตว์นั้นๆโดยชอบทีเดียวนะถ้ากล่าวถึงในเรียนอาสยานุสยะยานมาก็พอจะนึกออกบ้างอนะใช่ไหมครับว่าเอออัธยาศัยของสัตว์นี่เป็นอย่างไร อนุสใสของสัตว์เป็นอย่างไรจริตจริยานะจริตของสัตว์เป็นอย่างไรอธิมุตของสัตว์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพระองค์เนี่ยตรวจดูเบ็ดเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยแสดงธรรมะเหล่านั้นโดยชอบนะครับทั้งไม่ทรงละธรรมดาไม่ล่วงเลยนิยะแห่งบัญญัติแล้วก็ไม่เป็นแต่เพียงโวหารไม่ใช่พูดให้สละสลวยไปเฉยๆทรงประกาศธรรมะให้แจ่มแจ้งและทรงอนุศาสตร์คือตามสอนนะครับตามความผิด คือถ้าผิดแบบนี้ปราชิกนะผิดแบบนี้สังขาธิเศษผิดแบบนี้ทุลจใยผิดแบบนี้นิสกิยาปาจิตติผิดแบบนี้ปาจิตติผิดแบบนี้นะครับปฏิเทศนิยะผิดแบบนี้ทุกกฎทุกภาสิศเป็นต้นเนี่ยผมก็บัญญัติตามความผิดนั้นแล้วก็ตรวจดูอัธยาศัยนะครับว่าเขาจะต้องฟังแบบทีคณิกายแบบมัชฌิมนิกายแบบสังยุตตนิกายแบบอังคุตรนิกายหรือแบบคุถะกานิกายอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงตามสภาวะธรรมว่า ตามแนวธรรมสังคีนีเป็นต้นเนี่ยนะครับทรงแนะนำเวนยสัตว์ให้บรรลุอริยภูมิแล้วคือสรุปแล้วเนี่ยนะครับจะแสดงนัยไหนก็ตามเพื่อความพ้นทุกแห่งเวนยสัตว์โดยส่วนเดียวนะครับแม้การทรงบัญญัติพระธรรมวินัยของพระองค์เองนะครับก็เพื่อความสำเร็จประโยชน์คืออริยภูมินั่นแล เป็นไปตามความจริงก็เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นสรุปนะครับว่าธรรมวินัยทั้งหมดที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นทรงแสดงขึ้นทรงแต่งตั้งเปิดเผยนี่นะครับธรรมวินัยทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แก่อะไรครับเพื่อประโยชน์แก่การแทงตลอดอริยสัจของสรรพสัว์นั่นเอง ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อเป็นอื่นเลยไม่ได้ตั้งไว้เพื่อความเทค่ความงดงามอย่างอื่นไม่ไ ม, มีมีเพื่อประสงค์ที่จะให้สัตว์นี่นะครับตรัสรู้มรรคผลจริงๆถ้าตรัสรู้ในชาตินั้นได้ก็ตรัสรู้ไปถ้าไม่ตรัสรู้ได้ก็ส่วนแห่งวาสนาะบุญญาบารมีในพบต่อๆไปก็ได้นะครับอย่างเช่นปริภาชก ค, คนหนึ่งสกุลุทายีปริภาชกเนี่ยพงแสดงธรรมไม่ได้บรรลุนะครับพงแสดงธรรมให้เป็นส่วนวาสนาในชาติต่ตอไป หรือสัจการนิครณ น, นะครับไม่ได้บรรลุตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นะสัจการนิครณตายจากชาตินั้นชาติหลังแล้วนะครับจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงรู้อัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหมดนะครับพอจะต้องตั้งแบบตั้งแผนอะไรแนะนํะนำยังไงยังไงเป็นต้นเนี่ยทรงทําไม้หมดเปี้ยงเลยนะครับเพื่อประโยชน์แก่อรารยภูมินะครับเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลของสัพพะสักทั้งหลายนั่นเองอันหนึ่งอมะตะมหานิพพานธาต นะครับพูดถึงพระนิพพานนะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุแล้วโดยลําดับอันพ้นจากสภาวะแห่งรูปมีปฐวีธาตุเป็นต้นนิพพานไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนะครับแล้วก็สภาวะแห่งอรูปมีภาษาเวทนาว่ น, นิพพานไม่ใช่ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาอะไรไม่ใช่สักอย่างไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไม่ใช่ขันสักขันเลยนะครับ เพราะเป็นขันธวิมุตต์นะครับนิพานเนี่ยพ้นจากขันนะครับสภาวะนะครับแล้วก็นิพานเนี่ยล่วงสภาวะแห่งโลกทั้งหมดเพราะนิพานไม่มีการแตกสลายนิพานเนี่ยนะครับชื่อว่าไม่มีปัจจัยอะไรๆทาให้สว่างเพราะว่าในนิพานไม่มีความมืดเลยไม่ต้องอาศัยแสงสว่างอะไร เชื่อว่าประสาทภาวะมีคติเป็นต้นเพราะไม่มีโอภาสแห่งแสงสว่างนั่นเองนะครับคือนิพานนั้นไม่เป็นคติใดคติหนึ่งไม่ใช่สักอย่างนะครับไม่ใช่คติห้านี่นะไม่ใช่เลยไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มีอารมณ์นะครับนิพานเนี่ยนะครับไม่มีที่ตั้งว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือว่าไม่นิพานเนี่ยไม่รู้อะไรนะครับตัวสภาวะนิพานเนี่ยไม่รู้สีไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสแต่นิพานเป็นอารมณ์ของอริยมร แต่ตัวนิพพานจะไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางแห่งอุปมาว่านิพพานเหมือนอากาศอากาศจะไปรู้อะไรไหมไม่รู้นะครับเพรา ะ, ะนั้นแต่มีสิ่งที่ไปรู้อากาศอยู่ชั้นใดนิพพานก็ไม่รู้อารมณ์แต่อริยมรุณเนี่ยนะครับมีนิพพานเป็นอารมณ์หรืออริยมรุณอริยผลปัจเจเวคณาญาเนี่ยรู้นิพพานได้นะครับแต่ว่านิพพานไม่รู้อารมณ์อันนิพพานจึงเป็นอนารมณนะบางบางท่านแปลไงรู้ไหมครับ นิพพานไม่ใช่อารมณ์บาลีว่านารมณะแปลว่านิพพานไม่ใช่อารมณ์ก็ว่างั้นว่าไปนั่นไป อ, อีกนิพพานเนี่ยนะครับท่านเรียกว่าอนุปาทิเศตเพราะอุปาทิกล่าวคือขันมาดว่าเป็นส่วนเหลือหนอหนึ่งก็ไม่มีไม่มีขันนิดอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะให้นิพพานเนี่ยเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสไปเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นของพระที่อยู่ในนิพพานก็ว่าไป น, นั่น น, นะครับ บางท่านก็บอกว่า โ, โหในนิพพานเนี่ยนะท่านออกมาแสดงทำกันมาเทศกันก็แสดงว่า น, นิพพานนั้นมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสซึ่งไม่ใช่สักอย่างอย่างที่เขากล่าวนะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอายะตนะมีอยู่ในที่ที่ไม่มีปัทวีธาตุที่นั่นไม่มีปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุ แล้วก็ไม่ใช่อาการสารนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวะสัญญาณาสัญญายตนะไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีในโลกนี้ด้วยไม่มีในโลกหน้าด้วยก็ไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองด้วยนะครับไม่มีเลยว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ที่นั่นดูความพิสูจน์ทางหลายเราไม่กล่าวที่นั่นว่าเป็นอาคติไม่มีการมาเป็นคติคือการไปไม่เป็นที่ติคือไม่ตั้งอยู่ไม่เป็นจุติคือไม่เคลื่อนและไม่ตาย ไม่เป็นอุปัตติคือไม่เกิดคือไม่ปฏิสมธิไม่มีที่ตั้งไม่เป็นตายแล้วก็ไม่มีอารมณ์นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะครับฟังดูยังไงก็คล้ายว่ามันหมดไปแล้วมันศูนย์นะครับศูนยที่ว่ามันชวศูนย์จากขันห้าเออมันชวนให้คิดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าห้ามบอกเบานิพันนะอ่อดับศูนย์พระอรหันต์นะดับศูนย์ตาลองนี่ยคือคืออย่างนี้นะครับว่าอ่า ที่บอกว่าพระมีบางพวกเข้าใจว่าผ้าอรหันต์ตายแล้วศูนย์นี่นะครับคือเขาสําคัญว่าผ้าอรหันต์เนี่ยเป็นสัตว์ก่อนนะครับเมื่อผ้าอรหันต์เขาสําคัญว่ า, าผ้าอรหันต์ก็คือสัตว์อย่างหนึ่งเหมือนกันคือเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องขันห้าอะไรเลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าขันห้าเป็นไปตามปัจจัยอะไรก็เรียกรวมๆ ว, ว่าผ้าอรหันต์คือบนลัทธิของคําว่าสัตว์ก่อนเสร็จแล้วว่าสัตว์เนี่ยตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นอันนั้นจึงเป็น มิจฉาทิฏฐินะครับไปเข้าใจว่ารูปขันเป็นพระอขันเข้าใจว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเวิญญาณขันนั่นและสำคัญว่าเป็นสัตว์สําคัญว่าสัตว์สัตว์เป็นพระอรหันตครับผมแต่ที่จริงแล้วเนามขันนะครับบางอย่างเป็นอรหัตตมรรคนามขันบางอย่างเป็นอรหัตตผลจริงแต่สําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์เมื่อสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์ก็เลยสําคัญว่าสูนยเป็นต้นนะครับ เนื่องจากลัทธิว่าอัตตนั่นเองนะครับลัทธิว่าอัตตาหรือลัทธิที่สําคัญว่าสัตว์หรือชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบางคนก็เนื่องจากเข้าใจว่ารูปเป็นสัตว์เวทนาเป็นสัตว์สัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นสัตว์แล้เรียกว่าเออสัตว์นี้เรียกว่าอารหันนะเนื่องจากเข้าใจผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าผู้ที่ใครครวญอภิจารณาโดยแยกข่ายแล้วจะมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะก็มาแบ่งบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอัพยคตะที่เป็นกุศลก็ยังแบ่งเป็นกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลนะครับที่เป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นไปกับโลภะบางอย่างก็เป็นไปกับโทสะบางอย่างก็เป็นไปกับโมหะ ะะที่เป็นวิบากบางอย่างก็เป็นอเหตตกจิตบางอย่างเป็นากามาวจรสโพนจิตบางอย่างก็เป็นตายกับรูปาวจรวิบากบางอย่างก็เป็นอรูปาวจรวิบากบางอย่างก็เป็นโลกุตระวิบากนะครับก็มีการจำแนกแจกแจงในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะแต่เนื่องจากชั้นต้นเข้าใจผิดโดยความเป็นสัตว์ในสิ่งเหล่านั้นก่อน <S <S อเมื่อรัฐที่อันนี้เกิดขึ้นมันจึงอยู่บนหลักการที่ผิดพลาดนะครับนะครับ อันในคัมภีกระถาวัตถุนะครับที่ว่าท่านสําคัญเห็นบุคคลมีอยู่จริงใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคือสําคัญลัที่ว่าเป็นสัตว์นั่นเองนะครับหรืออั ต, ตาวาทุปาธานนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ในสูตรนั้นหมายถึงผู้ที่อยู่บนลทัทธิว่าอั ต, ตาวาทุปาธานก่อนนะครับอยู่บนฐานอันนั้นแล้วคิดต่อไปเพราะฉะนั้นคิดยังไงก็ตายแล้วศูนย์เป็นต้นนะนั้นนะที่อย่างสูตรหนึ่งเนี่ยนะครับ บอกเออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเออแล้วกรรมที่อนัตตารมแล้วใครจะรับอันนี้ก็รัที่สัตว์ก่อนนะครับนนก็คือรัฐที่โดยเรียกว่าอยู่บนพื้นฐานของอั ต, ตาวาทุ ป, ปาทานเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ท่านเข้าใจว่ารูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไหมสัญญาใช่ไหมสังขารวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะรูปก็เกิดจากปัจจัยเวทนาก็เกิดจากปัจจัยสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นก็เกิดจาก ปัจจัยอาศัยการประชุมของขันห้านี่แหละเลยเรียกว่าสัตว์แต่นี่ไปสําคัญว่ามีสัตว์จริงๆอ่ะนะครับปุถุชนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะเหมือนกับคนบ้านนะมีอุปาทานยึดมั่นอยู่อย่างนั้นนะครับครับเพราะความวิปลาสเพราะฉะเมื่อมีมีความเห็นผิดลทัทธิผิดๆก็เลยสําคัญผิดนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสนาชั้นสูงแล้วนี่นะครับจึงไม่ได้มีความสําคัญผิดเลยแม้แต่จิตที่พิจรารณานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้ายังไข่ควรขนาดนี้นะครับนนสมมุติว่าพิจรารณารูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาจิตที่พิจารณานั้นแหละอีกว่าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาซ้อนกันอย่างนี้ไม่รู้กี่ซ้อนนะครับเป็นสิบสิบซ้อนจนไม่ นะครับเห็นทุกขันร้อนเหมือนกันหมดเลยเห็นวิปัสสนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะครับนะครับระดับพังขยานเป็นต้นต้องเห็นความไม่เที่ยงของแม้กระทั่งวิปัสสนาที่ไปพิจารณาหมดนะครับเช่นพิจารณาเห็นรูปโดยความไม่เที่ยงนะครับเป็นทุกเป็นอนัตตานะครับหรือโดยอนุปัสสนา7ก็พิจารณาเห็นวิปัสสนาหรือปัญญาที่ไปพิจารณาอนั้นโดยอนุปัสสนา7เหมือนกันเพราะฉะนั้นอนุปัสสนาในอนุปัสสนาเหมือนกัน อางี้นะอนุปัสนาในยานที่เป็นอนุปัสนานะครับเพราะไข้ครวนนี่จึงไข้ครวนละเอียดจนไม่มีอะไรน่ายึดถือสักอย่างเพราะวิปัสนาทั้งหลายนะครับเจตนาที่เกิดร่วมกับวิปัสนาก็ให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูปอยู่ดีนะครับเพราะวิปัสนาก็นําเกิดนะครับไม่ใช่ไม่นําเกิดเจตนาที่เกิดร่วมกับวิปัสนาก็นําปฏิสนธิด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีแม้กระทั่งในวิปัสนานั้นๆเลย ก็ใคร่ครวญวิปัสนาเหล่านั้นลงอริยสัจได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะก็เป็นทุกขสัจอย่างหนึ่งนะวิปัสนาเป็นทุกขสัจนะครับโดยสัจจะแต่เป็นประเภทภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญแต่สงเคราะห์โดยสัจจะแล้วเป็นทุกขสัจนะครับเป็นทุกขสัจเพราะฉะนั้นในอมตะมหานิพพานธาตุนั้นถึงความดับศูนย์แห่งอุปาทานขันแม้ทั้งหมดเลยนะครับ เป็นสภาวะสงบจากสรรพาสังขารเป็นสภาวะสละคืนอุปาธิกิเลสทั้งปวงเป็นที่สงบทุกข์ทั้งปวงเป็นที่ถอนความอาลัยทั้งปวงเพราะว่าตัณหาไม่เข้าถึงอันนี้นะเป็นที่ขาดแห่งวัตตะทั้งปวงนะครับวัตตะสิ้นสุดแน่นะครับเมื่อถึงสภาวะนี้แล้วมีความสงบอย่างแท้จริงเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นอมะตะมหานิพพานธาตุนั้นจึงชื่อว่าจริงแท้แน่นอนไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าในการไหนๆเพราะไม่ผิดสภาวะตามที่กล่าวแล้วสิ่งนี้พระองค์ตรัสรู้อย่างเยี่ยมยอดรองนั้นเถอะพระองค์นี้ชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปเสด็จเข้าถึงบรรลุดําเนินไปเสด็จเข้าถึงอย่างท่องแท้คือบรรลุอภิชาตินะครับมีการประสูตรเป็นต้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะครับด้วยประการเชนนี้พะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปโดยท่องแท้นะครับ คือเสด็จตั้งแต่อะไรครับป ร, ประสูตรตรัสรูส้การสแสดงคำการปริณิพานนะครับสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเป็นของจริงของแท้แน่นอนนะครับไม่ได้มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเห็นเพราะฉะนั้นศึกษาเรียนรู้ตามนี้แล้วก็ทรงจำเอาไปไขควรไปพิจารณาเะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรเลยนะครับ แล้วก็วิธีนี้นะครับก็มันตรวจสอบกับคัมภีร์ดูนะครับว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเรานะขัดกับคัมภีร์ไหนสอดคล้องกับคัมภีร์ไหนสิ่งเหล่านี้เราต้องไข้ครวญเรียนรู้ให้ละเอียดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะของเราจริงๆนะครับ